อย่างเช่นเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะถ้าไม่ถูกคนอื่นชวนเนี่ยยากเช่นแวะไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปหรือจากนี้ไปถึงบ้านนะถ้าไม่ได้ตั้งไว้จะเจริญกุศลนะขณะตั้งแล้วมันยังไม่ค่อยจะเจริญเลยนะถ้าไม่ตั้งมันจะขนาดไหนใจเนี่ยมันเป็นยังไ น, นและแต่ทุกเรื่องที่เราคิดเชื่อไหมตั้งความเรานั่นแหละคือเราตั้งความปรารถนาล้คิดดีก็ตามก็คือตั้งความปรารถนาดีคิดไม่ดีคือการตั้งความปรารถนาไม่ดีเพราะทุกๆความคิดคือการตั้งความปรารถนา เนี่นะเรียว่าเป็นเรียกว่ า, วาทุกๆความคิดที่เราคิดขึ้นอ่ะคือการตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยตัวเองในอนาคตต่อไปอย่าคิดว่าเอ่อความคิดเหล่านี้จะไร้ผลทุกๆความคิดที่เราคิดทุกๆคําที่เราพูดทุกๆเรื่องที่เราได้ยินได้เห็นเนี่ยนะมีผลต่อชีวิตในอนาคตของเราเพราะอนนั้อนาคตของเราควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกะทาคามีดี ควรจะเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอารหรันต์ดีแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไล่ไปสู่สิ่งนั้นได้ไหมเ น, เนี่ยนะเขาคํานวณได้เนี่ยนะโดยวิชาธรรมะแล้วจริงๆแล้วคํานวณได้ถ้าเรียนปัจจัยดีๆเรียนทั้งโดยอุปนิ ส, สัยปัจจัยเรียนโครงสร้างระบบปัใจจัยให้ดีแล้วเรียนพระสูตรพระวินัยให้มากเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆริงเน่ยเรื่องระบบความคิดมันติดตั้งกันได้เนี่ยนะติดตั้งความคิดได้ะนนะติดตั้งความคิดดีๆให้ตัวเองได้ไหม ได้คิดตั้งความคิดเร็วๆได้ไหมได้เนี่ยนะเอางีแม้กระทั่งว่าวิธีติดตั้งความคิดที่ไม่ดีให้ตัวเองนะแกล้งไม่ชอบหน้าใครสักคนดูสิแล้วเห็นไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบบวกสองไม่ชอบบวกสามไม่ชอบบวกสี่ไม่ชอบบวกห้าทำอะไรก็ขัดตาไปหมดบวกสิบบวกยี่สิบบวกร้อยบวกภายในที่สุดนะได้ได้มิจฉาวาจาออกมาแน่เนี่ย น, นะในที่สุดก็มิจฉากรรมันตะมิจฉาอีกเยอะแ ย, ยะตามมาเลยนะ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 ปลูกฝังเจริญให้เข้าใจกฎเกณฑ์รายละเอียดหลายๆอย่างว่าทําอย่างไรตั้งอย่างไรศรัทธาของเราจึงจะมีในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะติดตั้งอย่างไรโพธิปัจขัยธรรมจะได้เจริญบริบูรณ์เพราะใจของเราจะยอมรับในสิ่งที่เราอยากให้เขามีเท่านั้ น, ใ, น, ใ, น, ใ, นใจของเราจะตั้งใจให้เรายอมรับอ้าวบางทีก็บอกว่าอ้าโลภะโทสะโมหะเขาไม่เคยตั้งให้มันเกิดเลยโกรธเกิดเมื่อไรก็ตั้งอันนั้นแหละ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 แต่ก็เข้าใจนะว่าอริยบทไหนสัปพายะและไม่เป็นสัพพายะเนี่ยนะตอนแรกศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกก็มีความตั้งใจว่ามองเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเพชรอ่ะนะเหมือนกับเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็ดูเอะคนที่ก็ดูเพชรดูอะไรเขาก็ไม่เห็นเบื่อเขาก็ดูกันได้นะเนี่ยนะเออเราก็บอกเออคําสอนเหล่านี้เรียกว่าพุทธธรรมมรรตนะแล้วก็ดูตามเนี่ยนะ นี่พอดูไปมากๆดูไปสักสิกว่าปีเนี่ยนะก็มานั่งนึกมาเอ๊เมื่อไหร่เราจะได้ใช้บ้างเนี่ยนะก็นึกว่าความคิดก้าวหน้าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่าเออเมื่ อ, อไรเราจะได้ใช้อ่าพระพุทธรัตนะอย่างนี้บ้างพระธรรมรัตนะอ่นะถสังขรัตนะเรียกว่าประดับด้วยเรียกว่าใจของเราประดับด้วยพระรัตน์ตรัยและที่สําคัญต่อไปใจอย่างไรเนาะใจของเราจะประดับด้วยสติปัญญาสัมมปัญญาอิทิบาทอินทรีย์และภะระ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้อยคําที่ใช้เกินร้อยคาคือคําว่าตั้งจิตสมาทานศึกษาอธิษฐานเกินร้อยคาสัเลขธรรมนี่ก็มี4ี่สิบสี่ข้อเลยใช่ไหมอย่างอื่นๆ อ, อ, อีกเยอะแยะเลยอนนอนุมาันสูตรก็สิบหข้อที่เกี่ยวกับเรื่องตั้งจิตทั้งนั้นอังคุตระนิกายเอกนิบาตอีกหลายสูตรในพระสูตรอื่นๆ อ, อ, อีกหลายสูต ร, รสรุปว่าเป็นร้อยสูตรเพื่อจะมาให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิต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 พระ อ, องค์บอกเรื่องศีลใช่ไหมศีลเราจะรักษาให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์อย่างไรพระ อ, องค์บอกสมาธิใช่ไหมพระ อ, องค์บอกปัญญาเราใช่ไหมเราจะเจริญศีลสมาธิและปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรพระ อ, องค์บอกวิธีการเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคิดอย่างไรเป็นสติปัฏฐานคิดอย่างไรเป็นสัมมาปัฏฐานคิดอย่างไรเป็นอิทธิบาทคิดอย่างไรเป็นอินทรีย์เป็นภละเป็นโพชฌงเป็นองค์มัต ที่เรียกว่าพระองค์แสดงคําสอนเพื่อความรู้ยิ่งเราตั้งตนไว้อย่างไรที่จะรู้ยิ่งตามที่พระองค์บอกพระองค์กล่าวพระองค์แนะนําสั่งสอนอย่าลืมว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมรดกของพระพุทธเจ้าเราทําได้เท่าไหรเราก็รับมรดกเท่านั้นเห็นไหมวันดับขันทัปปรินิพานเนี่ยก็ถือว่ามรดกจะได้รับหรือไม่ได้รับก็จะ ด, ดูจากวันนี้แหละว่าเมื่อพระองค์ใช้คําว่าปรินิพานปั๊บเนี่อเรามีอะไรมั่ง เราได้รับอะไรไมั่ง่นะรับอะไรจากคำสอนบ้างหรือเราตั้งจิตไว้ที่จะรับอะไรจากคำสอนบ้างไม่อย่างนั้นสีอสงไขยแสนกับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาศูนเปล่าสำหรับเราว่างเปล่าสำหรับเราเราก็เป็นโมคะบุรุษจริงๆแหละเป็นคนว่างคนเปล่าคนศูนย์คนที่ไม่มี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 ประสบความสําเร็จแต่ก็ทุกอย่างก็ไม่ได้ทํามันเดียวนะไม่มีสิ่งที่ดีและประเสริฐทํามันเดียวสําเร็จขณะจิตเดียวสําเร็จหรอกนะขณะจิตเดียวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ามันเกิดจากการรวบรวมมาทั้งหมดมันเรารวบรวมอย่างไรเนี่ยนะที่จะให้คุณธรรมนั้นงอกงามมันก็อยากจะขับเน้นตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษซึ่งการรวบรวมคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่า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 วิสุทธิแปลว่าพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานมักแปลว่าหนทางทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็คือสอนวิสุทธิมร์คือสอนทางแห่งพระนิพพานมันเราอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นอย่าได้ดูแคลนคําสอนของพระพุทธเจ้าในทุกสูตรเพราะสูตรแต่ละสูตรนั้นนํามาซึ่งอมตะผลทุกสูตรนามาซึ่งอริยะผลคือมร์ผลนิพพาน การศึกษาพระธรรมที่สําคัญมากที่สุดก็คืออย่าตําหนิสูตรนั้นดูหมิ่นสูตรนี้แล้วก็ยกย่องสูตรนู้นเพื่อจะข่มสูตรนี้เป็นต้นถ้าเรามีพฤติกรรมเช่นนั้นมีนิสัยเช่นนั้นอันนี้ควรละเนี่ยนะไม่ควรให้เกิดความคิดเหล่านี้เลยสูตรนี้ดีกว่าสูตรนั้นสูตรนั้นดีกว่าสูตรนู้นเป็นต้นดูหมิ่นสูตรนี้ตําหนิสูตรนั้นเป็นต้นเดี๋ยวกล่าวต่อไปว่าธรรมที่พระองค์แสดงไว้เป็นศาสดาของ พวกเราเราจะไปบอกว่าสูตรนี้ไม่ดีอย่างนั้นเป็นต้นพยายามตั้งจิตที่จะรับรู้ใส่ใจที่จะเจริญในคำสอนเพราะว่าจิตเหล่านี้นี่แหละจะพ้นทุกข์หรือจะตกสู่ความทุกข์จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าจะมีน้ำตานองหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็ดูได้จากจิตของเราทั้งหลายดูได้จากความคิดของเราทั้งหลายนี่แหละ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 อย่าลืมครั้งก่อนพูดถึงว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเอาใจอยู่กับคำสอนใจนี่เที่ยวไปกับคำสอนนี่มากไหม น, นะสมมติถ้าเราอย่างทวนอีกครั้งหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาของเราทั้งหลายเกิดมาเอาเฉลี่ยว่ายุคนี้ น, นะคนที่อายุยืนพอสมควรก็ประมาณสัก75ปีเนี่ยนะค่าเฉลี่ยนะหมายก็ว่าอาจจะเกินบ้างหรือว่าต่ากว่าบ้างก็อยู่เฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณสัก75ปี ในช่วง7จสิบห้าปีเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยนะหนึ่งในสองเอ่อหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่อยู่กับการหลับอยู่กับการหลับนอนอ น, นะวันละเฉลีย่ยวันละสองเอ่อวันละสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงอยู่กับการกินนนะอยู่กับเรื่องการกินเนี่ยนะพันอยู่กับการกิน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 มีโทษเพรานเราทํายังไงจะให้ใจยินดีอยู่กับคําสอนของพระองค์มากที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะเศษเสี้ยวเวลาที่เหลือซึ่งไม่มากเลยแต่ละคนนั้นเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เรียกว่าคํานวณโดยชั่วโมงเนี่ยคำนวณได้อยู่แล้วเหลือไม่กี่ชั่วโมงท่า น, นเราจะอยู่กับคําสอนให้ใจโครจรไปในคําสอนได้กี่ชั่วโมงตลอดชาติให้สัจใจของเราเนี่ยโครจรไปในพระวินัยเนี่ยกี่ชั่วโมง <lijk> ให้ใจของเราเนี่ยโคจรไปในพระสูตรกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไปในพระพิธรรมกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไปในพุทธานุสติกี่ชั่วโมงธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติเป็นต้นกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไหลไปกับศีลกี่ชั่วโมงมันก่อนถามบางท่านบอกว่าถามจริงๆเห้ยชีวิตชาตินี้ทั้งชาติเลยนะใจที่อยู่กับปานาติปาตาเวรมณีเนี่ย